ความเสื่อมแห่งอายุและวั น, นะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นเท้าเธอโปรดให้ประชุมข้าราชการข้าราชบริพารโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์องคมนตรีตรัถามถึงจักรวัฎีวัฏอันประเสริฐพวกเขาจึงกราบทูลจักรวัฎีวัฏอันประเสริฐแก่เท้าเธอเท้าเธอได้ฟังคำทูลตอบของพวกเขาแล้ว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 ใต้ฝาละองธุรีพระบาทบุรุษคนนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยเมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสถามบุรุษนั้นว่าทราบว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพ ลำดับนั้นเท้าเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วรับสั่งว่าพ่อคุณเธอจงเลี้ยงชีพจงเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรปัญญาประกอบการงานทั้งหลายจงตั้งทักษิณาในสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ทำให้มีผลสูงขึ้นไปที่เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ด้วยทรัพย์นี้เถิดเขาได้ทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้ว แมบุรุษอีกคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยคนทั้งหลายช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วจึงนำไปถวายแก่เท้าเธอกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทบุรุษนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยเมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสถามบุรุษนั้นว่าพ่อคุณได้ยินว่า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 เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ด้วยซับนี้เถิดเขาทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วภิษสุทั้งหลายคนทั้งหลายได้ฟังมาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบว่า คนถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยพระเจ้าแผ่นดินยังพระราชทานทรัพย์ให้อีกจึงพากันคิดเห็นอย่างนี้ว่าทางที่ดีแม้พวกเราก็ควรถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยบ้างลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยคนทั้งหลายช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วจึงนําไปถวายแก่เท้าเธอกราบทูลว่า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 ถ้าเราจะให้ทรัพย์แก่คนที่ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยอาทินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นี้จะแพร่หลายขึ้นด้วยประการอย่างนี้ทางที่ดีเราควรให้คุมตัวบุรุษผู้นี้อย่างแข็งขันแล้วตัดต้นคอตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสียจากนั้นเท้าเธอทรงสั่งบังคับราชบุรุษทั้งหลายว่าแน่พนายถ้าเช่นนั้น ท่านจงใช้เชือกเหนียวๆมัดบุรุษนี้ไพร่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตระเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกว่งบันดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้จงคุมตัวอย่างแข็งขันทำการประหารชีวิตตัดศีสบุรุษนั้นเสียทางด้านทิศใต้แห่งพระนครราชบุรุษทั้งหลายทูลรับสนองพระดํารัสแล้วจึงใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนั้น เอาแขนไพล่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตรเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกวงบันดะเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้คุมตัวอย่างแข็งขันทำการประหารชีวิตตัดศีรษะบุรุษนั้นทางด้านทิศใต้แห่งพระนครภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายได้ฟังว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายทราบว่า พระเจ้าแผ่นดินได้คุมตัวคนผู้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยอย่างแข็งขันตัดต้นคอตัดศรีรษะพวกเขาเสียครั้นได้ฟังแล้วจึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าทางที่ดีแม้พวกเราก็ควรให้ช่างทำศตรายอย่างคมคมแล้วจับคนที่ไม่ให้สิ่งของที่พวกเราถือเอาโดยอาการขโมยคุมตัวไว้อย่างแข็งขันจากประหารชีวิต ตัดสีสะของพวกมันเสียพวกเขาจึงให้ช่างทำศ ส, สตราคมแล้วจึงเริ่มทำการปล้นบ้านนิคมพระนครปล้นตามถนนหนทางจับคนที่ไม่ให้สิ่งของที่พวกตนถือเอาโดยอาการขโมยคุมตัวอย่างแข็งขันประหารชีวิตตัดสีสระของบุคคลเหล่านั้นเสีย ล e? ิสุทั้งหลายด้วยประการดังพรนนามานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอธินนาทานก็แพร่หลายเมื่ออธินนาทานแพร่หลายศัตราก็แพร่หลายเมื่อศัตราแพร่หลายปาณาติบาศการฆ่าสัตว์ก็แพร่หลายเมื่อปาณาติบาแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวั น, นะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวั น, นะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไขย 80, ัย 80,000 ปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 40,000 ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุไขย 40, ัย 40,000 ปีบุรุษคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยพวกเขาช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วจึงนำไปถวายแก่กษัตริย์ที่ราช ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทบุรุษนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยเมื่อพวกเขากลาบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรถามบุรุษนั้นว่าพ่อคุณได้ทราบว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยจริงหรือบุรุษนั้นได้กราบทูลคำเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่จริงเลยพระเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังพรนานามานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอธินาทานก็แพร่หลายเมื่ออธินาทานแพร่หลายศัตราก็แพร่หลายเมื่อศัตราแพร่หลายปานาติบาตก็แพร่หลายเมื่อปานาติบาตแพร่หลายมุสาวาตการพูดเท็จก็แพร่หลาย เมื่อมุสาวาศแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสืออนนเส่อมถอยบ้างมีวันณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสืออนนเส่อมถอยบ้างมีวันณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข4สี่หมื่นปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือสองห0ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุไข2สองหมืปีบุรุษคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมย บุรุษอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลกษัตราที่ราชผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทบุรุษชื่อนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมยชื่อว่าเดกกระทาการสอเสียดภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังพนานามนี้เมื่อพระหมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลาย เมื่อความขัดสนแพร่หลายอธินนาทานก็แพร่หลายเมื่ออธินนาทานแพร่หลายสัตราก็แพร่หลายเมื่อสัตราแพร่หลายปานาติบาทก็แพร่หลายเมื่อปานาติบาศแพร่หลายมุสาวาศก็แพร่หลายเมื่อมุสาวาทแพร่หลายปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียดก็แพร่หลายเมื่อปิสุนาวาจาแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรนะเสื่อมถอยบ้าง เมื่อพวกเขามีอายุเสืออนนเส่อมถอยบ้างมีวันณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 20,000 ปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 10,000 ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุไข 10,000 ปีมนุษย์บางพวกมีวันณะดีบางพวกมีวันณะไม่ดีพวกที่มีวันณะไม่ดีก็เพ่งเลงพวกที่มีวันณะดีประพฤติล่วงละเมิดในพัญญาของผู้อื่น ทิสุทั้งหลายด้วยประการดังพนานามานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอธินนาทานก็แพร่หลายเมื่ออธินนาทานแพร่หลายและถึงการเมสุมิชาจารการประพฤติผิดในการก็แพร่หลายเมื่อการเมสุมิชาจารแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันณะเสื่อมถอยบ้าง เมื่อพวกเขามีอายุเสืออนนเส่อมถอยบ้างมีวันณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข1หนึ่งปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 5,000 ันปีภิสูุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุไข 5,000 ันปีทำสองประการคือพรุษวาจาการพูดคำหยาบและสำผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อก็แพร่หลายเมื่อทำสองประการแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้าง มีวันณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสืออนนเส่อมถอยบ้างมีวันละเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 5,000 ปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 2,500 ปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 2,000 ปีภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุไข 2,500 ปีอภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของของเขาและพยาบาทความคิดร้ายก็แพร่หลาย เมื่ออภิชาและพยาบาทแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรนละเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันละเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 2,500 ปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 1,000 ปีภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุไข 1,000 ปีมิจฉาทิฐิความเห็นผิดก็แพร่หลายเมื่อมิจฉาทิฐิแพร่หลาย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 เมื่อทำสามประการแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข5ห้าอปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือ250ปีบางพวกก็มีอายุไข่ถอยลงเหลือ200ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุไข250ปีทำเหล่านี้คือ ความไม่เกือ้อกูลมารดาความไม่เกือ้อกูลบิดาความไม่เกือ้อกูลสมณะความไม่เกือ้อกูลพรามและการไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลก็พแพร่หลายภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังพนานนามนี้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 เมื่อป hmm! ิสุนาวาจาแพร่หลายกามีสุมิชฌาจาร์ก็แพร่หลายเมื่อกามีสุมิชฌาจาร์แพร่หลายธรรมสองประการคือพรุสวาจาและสัมผัปปลาปะก็แพร่หลายเมื่อธรรมสองประการแพร่หลายอภิชาและพยาบาทก็แพร่หลายเมื่ออภิชาและพยาบาทแพร่หลายมิชฌาทิฏก็แพร่หลายเมื่อมิชฌาทิฏแพร่หลายธรรมสามประการคืออรรมราคะวิสมะโลภะ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 บุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข250ปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือ100ปีสมัยที่คนมีอายุไข10ปีภิษุทั้งหลายจากมีสมัยที่บุตรของมนุษย์เหล่านี้มีอายุไข10ปี ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข่สิบปีเด็กหญิงอายุห้าปีก็มีสามีได้ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข่สิบปีรสเหล่านี้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเกลือจากอันตรธานไปสิน้นในเมื่อมนุษย์มีอายุไขสิบปีหญ้ากลับแก่จะเป็นอาหารอย่างดีภิกษุทั้งหลายข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกเป็นอาหารอย่างดีในบัดนี้ฉันใด ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข่สิบปียา ก, กับแก่ก็จะเป็นอาหารอย่างดีฉันนั้นในเมื่อมนุษย์มีอายุไข่สิบปีกุศลกรรมบทส0จากอันตรธานไปหมดสิน้นอกุศลกรรมบทส0บจากเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินในเมื่อมนุษย์มีอายุไข่สิบปีแม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จะไม่มีและคนที่ทำกุศลจกมีแต่ที่ไหน ในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบปีมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่เกื้อกูลมานดาไม่เกื้อกูลปิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพรามและไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็จะได้รับการบูชาและได้รับการสรรเสริญภิกษุทั้งหลายคนที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลปิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพรามและประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลได้รับการบูชา และได้รับการสัรเสริญในบัดนี้ชันใดในเมื่อมนุษย์มีอายุไข1สิบปีมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่เครือกูลมารดาไม่เครือกูลบิดาไม่เครือกูลสมณะไม่เครือกูลพรามและไม่ประพฤตอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็จะได้รับการบูชาและได้รับการสันเสริญชันนั้นในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุไขสิบปีพวกเขาจะไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรงว่าแม่ ว่าป้านะว่าป้าสะพ้ายนาสะพ้ายว่าพัญญาของอาจารย์หรือว่าพัญญาของครูสัตว์โลกจะถึงความสมสู่ปะปนกันหมดเป็นเสมือนแพะแกะไก่สุกรสุนักบ้านและสุนักจิ้งจอกเช่นั้นในเมื่อมนุษย์มีอายุขัยสิบปีมนุษย์เหล่านั้นก็จะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้า ความคิดจะฆ่ากันอย and ่างแรงกล้ามานดากับบุตรก็ด <root Craw> <ainsi> ีบ <raspberry elsius Natürlich> ุตรกับมานดาก็ดีบิดากับบุตรก็ดีบุตรกับบิดาก็ดีพี่ชายน้องชายกับพี่สาวน้องสาวก็ดีพี่สาวน้องสาวกับพี่ชายน้องชายก็ดีจะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าภิกษุทั้งหลาย ในพรานเนื้อ ble, เห็นเนื้อเข้าเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบามอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าฉั้นใดในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุไข่สิบปีมนุษย์เหล่านั้นจะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้ามารดากับบุตรก็ดี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 ตลอดเจดวันมนุษย์เหล่านั้นจะเกิดความเข้าใจในการและกันว่าเป็นเนื้อศัตราทั้งหลายอันคมกริบจะปรากฏในมือของพวกเขาพวกเขาจะใช้ศัตราอันคมกริบฆ่ากันเองด้วยเข้าใจว่านี้เป็นเนื้อนี้เป็นเนื้อครั้งนั้นมนุษย์เหล่านั้นบางพวกมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราอย่าฆ่าใครๆและใครๆก็อย่าฆ่าพวกเราทางที่ดี เราควรเข้าไปตามปะะ่าหญ้าสมทุมพุ่มไม้ป่าไม้เกาะกลางแม่น้ำหรือซอกเขาใช้รากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีพพวกเขาจึงพากันเข้าไปตามปะะ่าหญ้าสมทุมพุ่มไม้ป่าไม้เกาะกลางแม่น้ำหรือซอกเขาใช้รากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีพอยู่ตลอดเจวัน เมื่อล่วงไปเจ็ดวันพวกเขาพากันออกจากป่าหญ้าสมทุมพุ่มไม้ป่าไม้เกาะกลางแม่น้ำหรือซอกเขาแล้วต่างสวมกอดกันละกันขับร้องปลอบใจกันในที่ประชุมว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราพบเห็นกันแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่เราพบเห็นกันแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่ ความเจริญด้วยอายุและวันนะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมนุษย์เหล่านั้นจะปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกเราสูญสิ้นญาติมากมายเช่นนี้เพราะยึดถืออากุศลธรรมเป็นเหตุทางที่ดีพวกเราควรทำกุศลควรทำกุศลอย่างไรดีทางที่ดีพวกเราควรงดเว้นจากปาณาติบาตการฆ่าสัตว์ควรสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้ แล้วจึงพากันงดเว้นจากปาณ า, าติบาสสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพวกเขาจะเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวันณะบ้างเมื่อพวกเขาเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวันณะบ้างบุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุไข่สิบปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น20สิปีลำดับนั้นมนุษย์เหล่านั้นจะปรึกษากันอย่างนี้ว่า พวกเราเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวันณะบ้างเพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุทางที่ดีพวกเราควรทํากุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปควรทํากุศลอย่างไรบ้างพวกเราควรงดเว้นจากอธินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ควรงดเว้นจากกาเมสุมิฉ า, าจาร์การประพฤติผิดในกลามควรงดเว้นจากมุสาวาทการพูดเท็จ ควรงดเว้นจากปิสุณาวาจาการพูดส่อเสียดควรงดเว้นจากพุรสวาจาการพูดคำหยาบควรงดเว้นจากสัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อควรละอภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของของเขาควรละพยาบาทความคิดร้ายผู้อื่นควรละมิชาทิฏฐิความเห็นผิดควรละทำสามประการคืออธรรมราคะวิสมะโลภะและมิจชาธรรม ทางที่ดีพวกเราควรเกื mainland, เ้อกูลมารดาควรเกื้อกูลบิดาควรเกื้อกูลสมณะควรเกื้อกูลพราหมณ์และควร pues, ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลควรสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้ดังนี้เขาเหล่านั้นจะเกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหม์และประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจากสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้ เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพวกเขาจะเจริญด้วยอายุบ้างจกเจริญด้วยวันณะบ้างเมื่อพวกเขาเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวันณะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข20ปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น40ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไข40ปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น80ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไข80ปี จะมีอายุไขเพิ่มข pues ึ้นเป็น160ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไขัย160ปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น320ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไข320ปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น640ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุข640ปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไข 2,000 ปี จะมีอายุขเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไขั 4,000 ปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไข 8,000 ปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไขัย 20,000 ปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไขัย 40,000 ปีจกมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ปี เมื่อมนุษย์มีอายุขไข 80,000 ปีเด็กหญิงมีอายุ500ปีจึงจักสมควรมีสามีได้ความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์มีอายุขไข 80,000 ปี จกมีอาภาสามอย่างคือ 1. อิจฉา 2. องนัสนะ 3. ชาราเมื่อมนุษย์มีอาย 80, ุไข8 0แ0ดหมืปีชมพูทวีปนี้จกมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์บ้านนิคมและราชธานีมีทุกระยะชั่วไก่บินตกเมื่อมนุษย์มีอาย 80, ุไข8 0แ0ดหมื่นปีชมพูทวีปนี้จกดูประหนึ่งอเวจีนรกที่แออัดยัดเยียดไปด้วยผู้คนทั้งหลาย เหมือนป่าไม้อ้อหรือป่าไม้แข่นฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีอายุไข8 0แ0ดหปีกรุงพาราณสีนี้จะเป็นราชธานีนามว่ากรุงเยตุมดีเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีพลเมืองมากมีประชากรคับขั่งและมีพักษาหารสมบูรณ์เมื่อมนุษย์มีอายุ8 0ดห0ปีในชมพูทวีปนี้จะมีเมือง8ปดีพันเมือง มีกรุงเจตุมดีราชธานีเป็นเมืองเอกเมื่อมนุษย์มีอายุไข8 0แปดหมืนปีจกมีพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าสังขะทรงอุบัติขึ้นณนะกรุงเจตุมดีราชธานีเป็นผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประการได้แก่ 1. จักแก้วสองช้างแก้วสา ม, มากแก้วสีมณีแก้วห้านางแก้วหข้าดีแก้วเจปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตย์สามารถย่ำยีราชสตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชียาไม่ต้องใช้ศ ส, สตรา ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตรัยภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์มีอายุไข8 0แ0ดหมืนปีพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าเมตรัยจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพี่พร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นในโลกในบัดนี้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบพี่พร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดี รู้แจ้งโลกเป็นสราถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจกทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกโพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามเหมือนตถาคตในบัทนี้รู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามอยู่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงแสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้มกลางและมีความงามในที่สุด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 ครั้งนั้นพระเจ้าสังฆะจักรับสั่งให้ยกปราสาทที่พระเจ้ามหาปนาทะโปรดให้สร้างไว้และประทับอยู่ทรงสละบำเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์คนกําพราคนเดินทางวั น, นิพกและยาจกทั้งหลายจักทรงปลงพระเกษาและพระมสุทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบนรรพชิตในสานักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า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 พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลก 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลก 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลก 4.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 ในเรื่องอายุของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรเคยภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยชั้นทัสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากชันทะและความเพียรสร้างสรรค์ 2. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ 3.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 ภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นคําอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุในเรื่องวรรณะของภิกษุมีคําอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสังวรในปติโมกเพี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลาย นี้แหละเป็นคำอธิบายในเรื่องวั น, นะของภิกษุในเรื่องความสุขของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือพิกสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสงจากกรรมและอุติธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกลลิดจากวิเวกอยู่สองเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปบรรลุทุติยฌ า, าน 3. บรรลุตติยฌาน สบรรลุจตุตัชฌานภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นคําอธิบายในเรื่องความสุขของภิกษุในเรื่องโพคะของภิกษุมีคําอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สาทิศ ท, ท, ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูเหลา่า ในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 2. มีกรุณาจิต 3. ม, มีมุธิตาจิต 4. มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูเลาในที่ทุกสถาน ด้วยอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้แหลเป็นคำอธิบายในเรื่องโพคะของภิกษุในเรื่องพละของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุทั้งหลายนี้แหลเป็นคําอธิบายในเรื่องพระละของภิกษุเราไม่เล็งเห็นกําลังอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งขมได้แสนยากเหมือนกําลังของมานี้เลยบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้ก็เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วแล จักรวัติสูตรที่สจบ 4. อักันยสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก เรื่องสัมเนธชื่อวาเสตะและสัมเนธชื่อภารัตวาชะเขาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารามาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสัมเนธชื่อวาเสตะและสัมเนธชื่อภารัตวาชะหวังความเป็นภิกษุจึงอยู่อบรมในสำนักของภิกษุทั้งหลาย ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพร ะ, มระภาคทรงออกจากการหลีกเร้นแล้วได้เสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาปราสาทสามเณรชื่อวาเสษะได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากการหลีกเร้นเสด็จลงจากปราสาทแล้วทรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาปราสาทในเวลาเย็นจึงเรียกสามเณรชื่อภารทวชะมากล่าวว่า คุณพาระทวาชะพระผู้มีพระภาคนี้ทรงออกจากการหลีกเร้นเสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาของปราสาทในเวลาเย็นมาเถิดเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเราควรจะได้ฟังธรรมมีาถาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคบ้างพาระทวาชะสัมณเณรก็รับคำแล้ว ครั้งนั้นวาเศตษาสามเนนและภารัวาชะสามเนนพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วได้เดินจงกรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังทรงจงกรมอยู่พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกวาเศตษาสามเนนและพารัวาชะสัมเนนมาตรัสว่าวาเศตหและพารัวาชะ เธอทั้งสองมีชาติเป็นพรามมีตระกูลเป็นพราม์ออกจากตระกูลของพรามบวชเป็นบรรพชิตพวกพรามไม่ดา่าไม่บริภาษเธอทั้งสองบ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพรามดา่าบริภาษ์ข้าพระองค์ทั้งสองด้วยคำเหยยดยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบก็พวกพรามด่าบริภาษเธอทั้งสองด้วยคาเยยดยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบ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 เจ้าทั้งสองมละวันะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวันะที่เลวทรามคือสมณะโล้นเป็นคนรับใช้เป็นคนวรณะต่ำกันหักโคดเป็นเผ่าของมารเกิดจากพระบาทของพระพรหมเธอทั้งสองมละวันะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวันะที่เลวทรามคือสมณะโล้นเป็นคนรับใช้เป็นคนวันะต่ำเป็นเผ่าของมารเกิดจากพระบาทของพระพรมนี้ ไม่เป็นความดีไม่เป็นการสมควรเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ได้พากันด่าบริภาคข่าพระองค์ทั้งสองด้วยถ้อยคําเหยียดยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบอย่างนี้ว่าเศรษฐะและพารทวาชะพวกพราหมณ์ระลึกถึงเรื่องเก่าของตนไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าวันณัที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันณัอื่นเลว วันนั้นที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันณัอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมว่าเศรษฐะและภารทวาชะก็ปรากฏชัดอยู่ว่านางพราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีฤดูบ้างมีคันบ้างคลอดอยู่บ้างให้ลูกดื่มนมบ้าง ก็พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เกิดทางช่องคลอดของนางพราหมนินีทั้งนั้นยังกล่าวอย่างนี้ว่าวันนัที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นละถึงเป็นทายาทของพระพรมก็พราหมณ์เหล่านั้นกล่าวตู่พรมและผู้เท็ดพวกเขาจะต้องประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก